พระธรรมเทศนาแผ่นที่84ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ามีชื่อเรื่องว่าได้ทั้งหน้าได้ทั้งบุญ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 ออโอ้โหอาธารมเีก็แปลว่าเป็นผู้มีศรัทธาอยู่แล้วใช่ไหม เ, เทท้องขนเงินออกมาจากท้องพระคังเลยพระคังตัวเองเลยเพราะงั้นท่านพนเป็นเศรษฐีเนี่ยท่านก็ปลูกเลยปลูกมาตั้งาาแต่หลังวัดมนขึ้นมาปลูกปลูกมาพอปลูกปูม า, ม, ามันจะบดดนายเชื่อโอ้โหขนไปนำเงิ น, นได้มรนะขนไปด้วย